มาด้วยใจศรัทธาคุณหมอพอรทิพย์ที่วัดย่านยาวมีอาสาสมัครไปช่วยงานมากมายเพราะทุกคนมีความศรัทธาในตัวคุณหมอพอรทิพย์เป็นสำคัญต้องยอมรับว่าคุณหมอพอรทิพย์เป็นบุคคลตัวอย่างในหัวใจของคนไทยประเทศชาติต้องการบุคคลเช่นนี้คนที่ทำทุกอย่างเพื่อบ้านเมืองจริงๆด้วยความรู้สึกจากหัวใจ จึงเสียสละตนเองรับใช้ชาติด้วยความบริสุทธิ์ใจอาสาสมัครจึงไปกันจากทั่วสารทิศเห็นแล้วก็เพื่มใจแทนคุณหมอมีตั้งแต่เด็กเล็กอายุสิบกว่าขวบไปจนถึงผู้สูงอายุอย่างเราก็ผมขาวแล้วคนในวัดย่านยาวเขาก็เรียกเราว่าป้าแดงอาสาสมัครส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและวัยทำงานที่ยอมลาการเรียนลางานเพื่อมาช่วยงานของชาติครั้งนี้ด้วยความศรัทธาในตัวคุณหมอดังที่กล่าว และด้วยเห็นความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยทั้งคนเป็นและคนตายน้ำใจที่ได้รับจากคนไทยร่วมชาติเพื่อบรรเทาทุกจากมหารตภัยสึนามินี้ไม่ใช่มีเฉพาะแต่อาสาสมัครผู้ให้แรงกายเท่านั้นยังมีผู้ที่บริจาคข้าวของเงินทองช่วยเหลืออีกมากมายคนไทยรู้จักคุณหมอพรทิพย์เป็นอย่างดีจึงเชื่อใจคุณหมอว่าทาทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจฉะนั้น ไม่ว่าคุณหมอขาดแคลนสิ่งใดเมื่อประกาศออกมาสู่สาธารณชนก็ได้สิ่งนั้นๆมาราวกับเนระมิตรทานน้าใจหลัง่งไหลกันมาเหมือนสายน้ายําใสๆที่ไหลามารวมณจุดเดียวกันอันเป็นสายทานและทานอันบริสุทธิ์ทําให้นึกคําเทศสอนขององคหลวงตาที่ว่าท้ายที่สุดสายทานทุกสายก็จะลงรวมกันเป็นมหาสมุทรเป็นสายทานใหญ่และเป็นทานอันยิ่งใหญ่ เช็กเช่นเดียวกับทานบารมีที่คุณหมอพรทิพย์กำลังบำเพ็ญอยู่ในรูปแบบเฉพาะตัวของคุณหมอเองแม้ภารกิจที่วัดย่านยาวมีผู้เห็นใจและชื่นชมคุณหมอพรทิพย์อย่างมากแต่คุณหมอก็ไม่พ้นที่จะถูกโจมตีเราต้องมองให้เห็นสภาพเหตุการณ์ตามความเป็นจริงก่อนในภาวะนั้นคุณหมอเป็นคนเดียวที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญทางด้านการพิสูจนศพ ในทํากลางอาสาสมัครที่มาจากทั่วทุกสารทิศจากหลากหลายอาชีพเช่นนักบัญชีเจ้าของทัวพยาบาลแม่ครัวชาวบ้านธรรมดาเป็นต้นเรียกว่าทุกคนมาทำงานนั้นงานนี้ร่วมกันด้วยใจแต่พื้นฐานความรู้ของแต่ละคนในบางด้านอาจไม่เท่ากันฉะนั้นแม้ได้ตั้งใจทำงานกันเต็มที่และสุดความสามารถแล้ว ก็ไม่อาจาทำให้งานทุกอย่างสมบูรณ์1 0อเปอร์เซ็นได้เพราะไม่มีระบบควบคุมงานแบบราชการที่ชำานาญการโดยเฉพาะแล้วจะให้คุณหมอซึ่งเป็นคนคุมงานใช้วิธีเผด็จการสั่งงานทุกขั้นตอนย่อมเป็นไปไม่ได้ในเมื่อทุกคนมาด้วยใจและไม่ใช่มืออาชีพคุณหมอก็ต้องให้ความเห็นใจแก่ทุกคนและจัดงานให้มีประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุดในสถานการณ์นั้นเพราะฉะนั้นงานที่ทากันออกมาได้ในตอนนั้น ต้องขอบอกเลยว่ามันเป็นการทำงานด้วยใจอาสาและศรัท ธ, ธาหากในวันหน้าหน่วยงานของรัฐมีวิธีการและเครื่องมือที่สามารถทำการเตือนภัยล่วงหน้าได้ก็คงจะช่วยลดการสูญเสียต่างๆได้มากขึ้นขอให้เราได้นำเหตุการณ์สึนามิมาเป็นครูสอนเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเมื่อเหตุเกิดเราก็ต้องยอมรับ คนไทยเราทุกวันนี้เคยถามตัวเองในฐานะเป็นชาวพุทธบ้างไหมว่าพวกเราทําอะไรกันอยู่ได้ปฏิบัติตนสมเป็นชาวพุทธเป็นลูกของพระพุ ท, ทธเจ้าหรือไม่ทุกวันนี้ชาวพุทธละเลยกิ จ, จวัตรในทางพุทธศาสนากันไปเพราะชีวิตที่รีบเร่งในสังคมยุคที่เงินเป็นใหญ่เราไม่เคยเข้าวัดทําบุญไม่มีโอกาสได้ใส่บาตรหรือแม้แต่สวดมนต์ไหว้พระกันแล้วช่าง น, น่าเป็นห่วงเสียจริงๆ